วันนี้เป็นวันเสาร์หอภัยเป็นวันจันทร์ที่30ธันวาคมพุทธศักราช2562เป็นวันหยุดพิเศษ mm hmm. เนื่องจากเป็นวันที่อยู่ระหว่างวันหยุดของวันเสารอ์อาทิตย์ที่ผ่านมาและวันหยุด ของวันสิ้นปีกับวันปีใหม่ทางราชการจึงให้หยุดเป็นกรณีพิเศษเพื่อที่จะได้หยุดกันต่อเนื่องห้าวันด้วยกันทางชาวพุทธเราถือวันหยุดแบบนี้ว่าเป็นวันกำไรบุญเพราะเป็นวันที่มีเวลาได้มาทำบุญ เพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งนั่นเองเพราะถ้าไม่เป็นวันหยุดก็ต้องไปทำงานทำการกันก็จะไม่ได้ทำบุญพอดีทางราชการให้หยุดก็เลยได้มีเวลามีโอกาสได้มาทำบุญอีกวันหนึ่งซึ่งชาวพุทธเหล่านี้ถือเรื่องการทำบุญเป็นเรื่องที่สำคัญ กว่าเรื่องอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงเพราะบนนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยต่อไปเวลาที่เราไม่มีร่างกายเวลาตอนนี้เรามีร่างกายเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆให้กับเราได้หาความสุข จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลื่นรถผลทพะต่างๆได้แต่พอเวลาที่ร่างกายเราไม่อยู่ในสภาพที่จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลื่นรถผลทพะได้เราก็ต้องอาศัยบุญเท่านั้นทั้งในขณะตอนที่เรายังไม่ตาย และตอนที่ร่างกายตายไปแล้วตอนที่ร่างกายตายไปใจของพวกเราก็จะเป็นดวงวิญญาณเดินทางจากภพนี้ไปสู่ภพหน้าจากร่างกายของมนุษย์อันนี้ไปสู่ร่างกายของมนุษย์อันหน้าก็เหมือนกับเวลาที่เราเดินทางไปในทะเลนี้เอง ออกจากฝากนี้ไปสู่ฝาข้างหน้าเว <c oughs> ลาเดินทางในทะเลเราไม่มีที่แวะที่จะซื้อเสะเบียงต่างๆมาให้กับเราเราจึงต้องเตรียมเสเบียงไว้เวลาที่เราเดินทางไปทางทะเลเรือเดินทะเลทุกชนิดนี้จะต้องมีเสะเบียงไว้พร้อม เพื่อที่จะได้เลี้ยงดูผู้โดยสารที่อยู่ในเรือนั้นให้อยู่อย่างสุขสบายฉันใดตอนที่ร่างกายเราตายไปใจของพวกเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่จะไปสู่พพหน้าชาตินาก็ต้องอาศัยสเบียงคือบุญนี่เองบุญนี่แหละคือเสเบียงของจิตใจ เป็นที่พึ่งของจิตใจที่จะให้จิตใจเดินทางจากภพนี้ไปสู่ภพหน้าได้อย่างสุขอย่างสบายถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้เตรียมสเสบียงเอาไว้เวลาตายไปก็จะไปแบบอดอยากขาดแคลนไปแบบขอทานเพราะไม่มีสเสบียงติดตัวไป ไม่มีบุญติดตัวไปนั่นเองชาวพุทธเราจึงเห็นความสำคัญของบุญจึงพยายามทำบุญกันอยู่เรื่อยๆเื่องไหนที่มีเวลาว่างก็จะรีบมาทำบุญกันการทำบุญนี้ก็มีหลายแบบหลายชนิดด้วยกันแต่ก็ให้ประโยชน์เหมือนกัน คือให้ความสุขแก่ใจให้ความอิ่มหนำสำราญแก่ใจต่างกันตรงที่ความมากน้อยของบุญแต่ละชนิดชนิดที่ง่ายก็จะได้น้อยชนิดที่ยากก็จะได้มากเราก็ต้องเริ่มทำจากชนิดที่ง่ายไป เมื่อทำไปเรื่อยๆ เ, เราก็จะมีกำลังที่จะทำบุญชนิดที่ยากขึ้นไปตามลำดับเราก็จะได้บุญเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดเป็นบุญที่จะทำให้เราไม่ต้องเติมบุญอีกต่อไปเป็นบุญที่ถาวรเป็นบุญที่อยู่กับใจเราไปตลอด ถ้าเราได้ถึงบุญขั้นนั้นเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาเกิดมาหาความสุขผ่านทางร่างกายอีกต่อไปเพราะว่าถึงแม้จะมีร่างกายที่ดีมีฐานะที่ดีแต่ร่างกายของทุกคนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย แล้จะต้องตายไปช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงที่ให้ความทุกข์กับใจเป็นอย่างมากคนฉลาดจึงเห็นว่าการไม่เกิดนี้เป็นสิ่งที่ดีกว่าการมาเกิดเพราะถ้าไม่เกิดได้ก็จะไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตาย ทุกขกับการสูญเสียทุกข์กับการพลาดพลาดจากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆที่รักที่ชอบไปแต่ถ้ามาเกิดแล้วก็ต้องทุกข์ถึงแม้ว่าจะเกิดมาร่ำรวยก็ตามเกิดมาเป็นใหญ่เป็นโตก็ตามแต่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจอความทุกข์ด้วยกันทุกคน ดังนั้นเป้าหมายของการทำบุญที่สูงสุดก็คือบุญที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดกันอีกต่อไปถ้าเราได้บุญขั้นสูงสุดจะเป็นบุญแบบที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปจากใจเรียกว่าโลกุตตะธรธรมเป็นบุญขั้นสูงสุดบุญนี้แบ่งไว้เป็นสองระดับด้วยกัน ระดับโลกียะกับระดับโลกุตตระบุญระดับโลกิยะนี้ยังทำให้หมดได้ได้บุญมาแล้วก็ใช้มันไปเหมือนเงินทองที่ใช้ไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วเงินทองก็หมดเมื่อหมดก็ต้องไปเติมใหม่ไปหาเงินทองมาใหม่ แต่ถ้าได้บุญระดับโลกุตตระนี้จะเป็นบุญที่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดเป็นบุญที่พระพุทธเจ้าส่งค้นพบส่งตัดสรุด้วยพระองค์เองบุญระดับโลกียะนี้มีผู้รู้กันก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตัดสรุปรู้จักวิธีสร้างบุญระดับโลกียะ สร้างความสุขให้กับใจในช่วงที่ใจไม่มีร่างกายใจก็อาศัยบุญที่ได้สร้างไว้ในขณะที่มีร่างกายแต่เป็นบุญชนิดโลเกียเธอเป็นบุญที่มีวันสิ้นสุดลงพอสิ้นสุดลงก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมาเติมบุญใหม่ เวลากลับมาเกิดเป็ น, นมนุษย์มาตามบุญก็ต้องมาทุกข์กับการเป็นมนุษย์ต้องทุกข์กับการหากินหาอยู่ทุกข์กับการป้องกันภัยต่างๆที่จะมาคุกคามร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่มีใครรู้จากวิธี หาบุญระดับโล ก, กุตตะระที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาเติมบุญอยู่เรื่อยๆนานๆจะมีคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าที่จะเป็นผู้ที่มาสรงค้นพบบุญระดับโล ก, กุตตะระคือบุญที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาเติมบุญอยู่เรื่อย เพราะเป็นบุญชนิดที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเป็นบุญที่จะอยู่คู่ไปกับจิตใจไปตลอดจึงทำให้ผู้ที่ได้บุญชนิดโลกกตระไม่จำเป็นที่จะต้องกลับมาเติมบุญอีกต่อไปเมื่อไม่ต้องมาเติมบุญก็ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกาย ไม่ต้องทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายอย่างที่พวกเรากำลังทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้เราต้องปากกาตีนถีบดิ้นนนขวนขวายหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังคอยป้องกันภัยต่างๆที่จะมาคุกคามร่างกาย แล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายของการพลาดพาดจากกันถ้าเกิดมาในภพไหนชาติไหนได้มาเจอพระพุทธเจ้าก็ดีหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็ดีคือพระธรรมคาสั่งคําสอน ของพระพุทธเจ้าที่ได้มีบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกกด็ดีหรือได้มาพบกับพระอาริยสงสาวกของพระพุทธเจ้ากด็ดีก็จะได้เรียนรู้วิธีสร้างโลกุตระบุญสร้างบุญชนิดที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดซึ่งนานานโอกาสอย่างนี้จะมีขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง พอนานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่จะมาค้นพบโล ก, กุตตะบุญที่จะมาสอนมาบอกพวกที่ไม่รู้เรื่องการสร้างโล ก, กุตตะบุญให้ได้รู้และได้สร้างกันนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งระยะเวลานี้ เป็นเวลาที่ยาวนานจนเราไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเลขถ้าเรียกว่าเป็นกลับเป็นกันนานานจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสโลสักครั้งหนึ่งและคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะอยู่ในโลกนี้ได้ไประยะหนึ่งไม่บางครั้งก็ยาวบางครั้งก็ไม่ยาวของพระพุทธเจ้าที่เรารู้จากกันนี้ ท่านก็ทรงพยากรณ์ว่าจะอยู่ได้ประมาณห้าพันปีคำสั่งคำสอนที่จะสอนให้เราสร้างโลกุตรบุญนี้จะอยู่ในโลกนี้ได้ประมาณห0 0พันปีตอนนี้ก็ผ่านมาสองพห้า้อยหกสิบกว่าปีแล้วก็เหลืออีกสอง0ส่รสองันสกว่าปีคำสอนนี้ก็จะสูญหายไป เนื่องจากไม่มีผู้ที่จะมาสืบทอดคำสอนนั่นเองคำสอนจะอยู่ได้ก็ต้องมีผู้มาสืบทอดคือต้องมาศึกษาคำสอนเมื่อศึกษาแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นมาพอเกิดผลแล้วก็จะสามารถเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาการปฏิบัตินี้ ไปสอนผู้อีกทอดหนึ่งคำสอนก็จะอยู่ต่อไปได้แต่เนื่องจากโลกได้มีการเปลี่ยนไปตามการตามเวลาโลกได้ถูกอำนาจของกิเลสตัณหาฉุดดึงจิตใจของสัตว์โลกให้ออกห่างจากคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ไปหาความสุขแบบชั่วคราวกันคือไปหาความสุขทางด้านลาบยศเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผธภาะกันจึงทำให้ผู้ที่จะสนใจมาศึกษามาปฏิบัติมาบรรดุธรรมแล้วก็มาเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นนั้น ลดน้อยจำนวนลงไปตามลำดับยิ่งทางโลกมีความเจริญมากเท่าไหร่ทางธรรมทางธรรมก็จะเสื่อมลงไปตามลำดับเพราะกระแสของความเจริญทางโลกนี้มีอิทธิพลต่อจิตใจของสัตว์โลกมากกว่ากระแสของธรรม จึงทำให้มีการศึกษาปฏิบัติน้อยลงจำนวนของผู้ที่สนใจที่จะมาบวชเรียนมีน้อยลงไปเรื่อยๆ เ, เพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องอาศัยศาสนาในการอยู่อย่างมีความสุขเพราะว่าสามารถหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลินรถต่างๆได้อย่างกว้างขวางอย่างง่ายได้จึงทำให้ไม่ค่อยมีความสนใจที่จะไปหาความสุขจากการศึกษาจากการปฏิบัติธรรมกันนี่เป็นเหตุที่ทำไมศาสนาในที่สุดก็ต้องสิ้นสุดลงก็เพราะว่าความสนใจ มีลดน้อยถอยลงความเจริญทางด้านวัตถุมีเพิ่มมากขึ้นก็จะเดิงจิตใจให้ไปหาความสุขจากวัตถุเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับนั่นเองอจนต่อไปก็จะไม่มีใครมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีใครนําเอาไปปฏิบัติไม่มีใครบรรลุผลจากการปฏิบัติ ก็จะไม่มีใครเอาคำสอนมาสอนให้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำถึงแม้จะมีผู้มาสอนก็สอนแบบผิดผิดถูกถูกเพราะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้บรรลุผลเพียงแต่สอนไปตามความเข้าใจจากการที่ได้อ่านได้ยินได้ฟังเท่านั้นเองซึ่งก็จะไม่ทำให้ผู้ได้ยินได้ฟัง เกิดความประทับใจเกิดความยินดีที่จะนำเอาไปปฏิบัติเพราะผู้สอนไม่ได้ทำให้มีความมั่นใจนั่นเองผู้สอนเองก็ไม่มั่นใจเพราะยังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตนเองจากการปฏิบัติของตนเองก็เลยไม่สามารถที่จะพูดแบบที่จะให้เกิดความมั่นใจ เกิดความประทับใจแก่ผู้ฟังได้เมื่อผู้ฟังไม่ประทับใจไม่มั่นใจก็จะไม่สนใจให้กับการปฏิบัติกับการศึกษาการบรรลุธรรมก็จะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อไม่มีการบรรลุธรรมทำแท้ก็จะไม่มีธรรมที่มีก็ไม่ใช่เป็นธรรมแท้ธรรมที่ได้เรียนรู้ ได้ยินได้ฟังนี้ยังไม่ถือว่าเป็นธรรมแท้เป็นเพยงแต่ชื่อของธรรมไม่ใช่ตัวธรรมตัวธรรมนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติอย่างวันนี้ญาติโยมมาฟังธรรมกันฟังเรื่องบุญอันนี้ก็เป็นเพยงเรื่องของบุญชื่อของบุญแต่ตัวของบุญนี้ยังไม่เกิดขึ้นมาในใจจะเกิดขึ้นมาก็ต่อเมื่อ นำเอาไปปฏิบัตนะิเมื่อนำเอาไปปฏิบัติแล้วบุญคือความสุขใจอิ่มใจก็จะปรากฏขึ้นมานะแล้วก็จะสามารถนำไปสอนไปบอกผู้อื่นได้ว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดผลอย่างนี้ที่จิตใจนะผลของบุญนี้อยู่ที่จิตใจนะไม่ได้อยู่ที่ บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้การทำบุญนี้เราไม่ได้รับวัดผลที่การได้รับความชมเชยจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ได้รับรางวัลจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้อันนี้ไม่ได้เป็นผลของบุญผลของบุญนี้วัดที่ใจของพวกเราว่ามีความสุขมากขึ้นหรือไม่ หรือมีความทุกข์มากขึ้นหรือไม่อันนี้เป็นที่วัดของผลของบุญหรือบาปที่เราอาจจะทำกันแต่บางทีเราไม่ดูที่ใจของเราเราไปดูที่บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ดูที่รางวัลหรือดูที่โทษที่เราจะได้รับจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มันก็เลยทำให้เราควายเควได้ เพราะว่าบางทีทำความดีทำบุญก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลก็มีบางทีทำโทษทำบาปทำผิดก็ไม่ได้รับการลงโทษก็มีก็เลยจะทำให้ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปได้ก็จะคิดว่าบาปหรือบุญนี้ไม่มีจริงทำแล้วไม่ได้รับผลจนมีการพูดกันอยู่เรื่อยๆว่า ทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีมีถมไปนั่นเพราะว่าไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปว่าผลของบุญของบาปนั้นอยู่ที่ตรงไหนผลของบุญและบาปนี้อยู่ที่ใจของพวกเราใจเรามีความสุขจากการทำบุญมีความทุกข์จากการทำบาปหรือจากการไม่ได้ทำบุญ ต้องทำบุญแล้วใจของเราก็จะมีความสุขมีความอิ่มใจของเรานี่แหละที่เดินทางต่อไปหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วเราต้องเดินทางในทะเลกันทะเลของใจเรียกว่าโลกทิพย์นโลกทิพย์ที่ไม่มีที่เราที่เราจะไปซื้อความสุขแบบที่เรามีตอนที่เรามีร่างกาย ตอนนี้เรามีร่างกายเราอยากมีความสุขเราใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายได้แต่พอเวลาไม่มีร่างกายเราจะมีความสุขก็ต้องอาศัยบุญที่เราได้ทำไว้ในขณะที่เรามีร่างกายบุญเป็นเหมือนสเบียงที่เราเอาติดตัวไปได้ที่จะให้ความสุข ความสบายในช่วงที่เราเดินทางจากภพนี้ไปสู่ภพหน้าจากร่างกายอันเก่าไปสู่ร่างกายอันใหม่ถ้าเรามีบุญในระดับโลกิยะเราก็จะต้องไปเกิดใหม่เพื่อไปเติมบุญใหม่แต่ถ้าเราได้บุญระดับโล ก, กุตระ เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องกลับมาตามบุญใหม่อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราต้องการบุญแบบไหนถ้าเรายังไม่ต้องการบุญแบบโลกุตตระเราก็ทำบุญแบบโลกิยะไปก่อนแต่เราต้องรู้ถึงผลที่เราจะได้รับว่าต่างกับบุญที่เราจะได้รับจากโลกุตตระบุญ ถ้าเราได้รับโลกุตตรบุญเราก็จะไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปถ้าเรายังทำแต่โลกิยะบุญอยู่เราก็ยังจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นเป้าหมายที่สูงสุดของพวกเราก็คือการสร้างโลกุตตรบุญ ตอนที่เราจะไปถึงระดับโลกุตระบุญได้เราก็ต้องผ่านขั้นโลกิยะบุญไปก่อนเพราะว่าเป็นทางผ่านที่เราจะต้องเดินทางผ่านกันเพียงแต่เราไม่หยุดไปที่ขั้นสูงสุดของโลกิยะบุญพอเราถึงขั้นสูงสุดของโลกิยะบุญแล้วเราก็ไปสู่ขั้นโลกุตระบุญต่อไป ขั้นโลกุตระบุญนี้เราจะรู้จักได้ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกเราถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เราก็จะไม่มีใครมาสอนให้เรารู้จักโลกุตระบุญกันเราก็จะสร้างบุญได้ในระดับโลกิยะบุญเท่านั้น เช่นในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญตอนที่พระองค์ยังไม่ได้ตัดสรู้์ก็ไม่มีใครรู้เรื่องของโลกุตตระบุญว่าเป็นอย่างไรรู้เพียงเรื่องของโลกียบุญคือบุญที่จะให้ความสุขกับใจตอนที่ร่างกายไม่มีแล้วแต่เป็นบุญที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมด พอบุญที่ได้เสื่อมไปหมดไปใจก็ต้องกลับมาเติมบุญใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเวียนว่ายตายเกิดใหม่พอเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตายแล้วก็ไปท่องบุญอยู่ในโลกทิพท่องท่องเที่ยวอยู่ในโลกทิพด้วยบุญหรือบาปที่ได้ทำเอาไว้ แล้วก็พอบุญหรือบาปนั้นหมดลงก็ไปเกิดใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดทุกครั้งที่มาเกิดก็จะต้องมาเจอกับความทุกข์ของทางร่างกายแล้วเวลาตายไปถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญก็ต้องไปรับความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาป ในขณะที่ไม่มีร่างกายนี่จะเป็นเรื่องของพวกที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปคนที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปนี้จะไม่ไม่ชอบทําบุญกันจะไม่ทําบุญแล้วก็ไม่กลัวการกระทําบาปเพราะคิดว่าผลของบุญของบาปไม่มีเพราะคิดว่าเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วชีวิตก็จบสิ้นลง คือตายแล้วศูน่อตายแล้วไม่มีผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปนั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่เห็นใจผู้ที่จะเป็นดวงวิญญาณเวลาที่ไม่มีร่างกายผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ถ้ามองดูเพียงถ้าเห็นชีวิตว่ามีเพียงร่างกายถ้าคิดว่า ผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายคือสมองเขาก็จะคิดว่าทําบุญไปก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรได้ก็ช่วงขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่แน่นอนว่าจะได้หรือเปล่าทําบุญทําความดีบางทีก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เขาพูดกันก็ได้ทําบาปแล้วก็อาจจะไม่ได้รับโทษก็ได้ได้ดีมีถมไปก็จะทําให้ ไม่มีความเชื่อในบุญในบาปเนยะก็จะไม่ทำบุญกันแล้วก็ถ้าต้องทำอะไรเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้ด้วยการทำบาปก็ก็จะไม่กลัวก็จะกล้าทำกันนะพวกนี้เวลาตายก็ก็ต้องอยู่กับความทุกข์เวลาเกิดมามีมันเป็นมนุษย์ก็ต้องมาทุกข์ในบ้านปลายของชีวิตเนะี่ย มาทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายพวกนี้ที่พวกที่ไม่เชื่อบุญก็จะไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเจอความทุกข์ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ตายไปแล้วแต่พวกที่มีเชื่อบุญเชื่อบาปนี้ก็จะพยายามไม่ทำบาปและพยายามทำบุญให้มากขึ้นไป ขณะที่มีชีวิตอยู่เวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับใจได้ใจก็ยังมีความสุขได้จากการการทำบุญก็จะอยู่อย่างไม่ทุกข์แบบคนที่ไม่มีบุญอยู่กันแล้วเวลาที่ร่างกายตายไปดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุข นี่คือเรื่องของทางเลือกของการดำเนินชีวิตของพวกเราพวกเราจะเลือกแบบเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้อเหลือไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมก็สงฆ์ก็ได้ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดก็ได้ก็อยู่กันแบบทำอะไรตามความอยากทาความต้องการ พอเวลาได้สิ่งที่อยากได้เวลาได้ทำในสิ่งที่ต้องการจะทำแล้วเกิดความสุขก็อาจจะทำบาปกันเพราะบางทีถ้าไม่ทำบาปก็จะไม่ได้ไม่ได้สิ่งที่อยากได้หรือไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำกันอันนี้ก็มองความสุขระยะสั้นๆเป็นความสุขชั่วคราวความสุขที่ได้เดียวๆ แต่ความทุกข์ที่ได้สะสมจากการทําบาปนี้มันจะติดไปกับใจต่อไปเวลาที่ร่างกายตายไปความทุกข์นี้จะเป็นผู้พาจิตใจให้อยู่ตะตกุกตะกามลําบากอยู่ด้วยความหิวโหยอยู่ด้วยอดความโอดอยากขาดแคลนอยู่ด้วยความทุกข์ ชนิดต่างๆทุกได้ความอาฆาตพยาบาททุกได้ความโกรธความเกลียดต่างๆที่ได้สะสมไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่นี่คือเรื่องของทำไมชาวพุทธเราจึงนิยมมาทำบุญกันเพราะเราเชื่อคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าบุญนี้ จะให้ความสุขกับเราทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในช่วงที่เราไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขให้กับเราได้เช่นเวลาตอนที่เราแก่ตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเนตอนที่เราจะตายเนเราไม่สามารถอาศัยร่างกายให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเรามีบุญชนิดต่างๆ บุญที่เราทำไว้นี้จะให้ความสุขกับเราได้จะทำให้เราไม่ทุกข์ทรมานใจและเวลาตายไปเราก็จะไปแบบสบายมีบุญพาไปมีบุญเป็นที่พึ่งเป็นเหมือนเรือโดยสารที่มีสเบียงครบเรือที่เขาเรียกว่าเรือท่องเที่ยวมีเรือท่องเที่ยวนี้มีทุกอย่างขนไปหมดมีทั้ง มีทั้งศูนย์การค้าอยู่ในเรือมีทั้งศูนย์บันเทิงต่างๆมีทั้งโรงอาหารร้านอาหารพัฒนาารโรงภา พ, พยนตร์อันนี้ก็เป็นลักษณะของใจของผู้ที่มีบุญสร้างบุญเอาไว้เวลาต้องออกเดินทางไปกลางทะเลก็ไม่เดือดร้อนเรือจะลอยอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับอยู่บน อยู่บนบกดินีนี่เองมีทุกสิ่งทุกอย่างที่บนบกมีอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราทำบุญได้มากๆเนี่ยเราจะมีบุญไปกับเราเราจะมีความสุขเหมือนกับตอนที่เรามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่สามารถที่จะหาราบยศสละเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมาให้พวกเรา เสพสัมผัสกันได้นี่แหละคือเรื่องของบุญที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ชาวพุทธเราหมั่นทํากันอยู่เรื่อยๆบุญก็มีระดับง่ายขึ้นไปสู่ระดับยากนระดับง่ายก็คือระดับทานการให้ทานนี่เป็นสิ่งที่ง่ายหรือให้ความสุขผู้อื่นด้วยการกระทํา ทางกายก็ได้ทางวาจาก็ได้ก็ถือว่าเป็นทานเป็นการให้เหมือนกันบางทีเราไม่มีเงินทองเข้าของจะให้แต่เรามีเวลาที่จะใช้ร่างกายของเราไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้เหมือนกันให้ประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นด้วยการกระทำของเราหรือด้วยวาจาของเราก็ได้เนี เช่นเวลาเรามีความรู้วิชาต่างๆเรามีผู้ที่สนใจอยากจะเรียนรู้วิชาต่างๆจากเราเราก็สอนเขาทางวาจาโดยที่ไม่รับเงินทอรับทองเป็นสิ่งตอบแทนขอให้เป็นการทำบุญทาทานทำไปแล้วเราก็จะได้ความสุขใจเหมือนกับเวลาที่เราเอาเข้าวของเงินทองไปให้เขา เรียกว่าเป็นการให้เหมือนกันให้ข้าวของเงินทองเราก็เรียกว่าวิทยาทานอวัตถุทานให้วิชาความรู้ต่างๆก็เรียกว่าวิทยาทานให้เวลาแก่ผู้่ช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้สังคมด้วยวิทยด้วยแรงกายของเราก็เป็นเป็นการทำบุญอีกชนิดหนึ่ง ที่จะทำให้เกิดความสุขใจเอ่มใจขึ้นมานี่คือสิ่งที่เราสามารถทำกันได้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราและง่ายที่สุดในเรื่องใของบรรดาบุญต่างๆยั้นถ้าเราสามารถให้ประโยชน์สุขกับผู้อื่นได้ในวันเวลาที่เราสะดวกในวันเวลาที่เราว่างก็ขอให้เราทำกันเพราะเป็นการสะสมสะเสบียงให้กับใจของเรา โดยไม่ต้องไปหวังผลตอบแทนจากผู้ที่เราให้ประโยชน์สุดด้วยเขาจะให้ตอบแทนมาก็ไม่ปฏิเสธรับไว้ก็ได้แต่ไม่ได้เป็นเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราคือการมาสะสมสะเสบียงว่าเราจะต้องอาศัยบุญต่อไปเวลาที่เราไม่มีร่างกายหรือเวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้ เช่นตอนเราแก่ตอนเราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเราคิดถึงบุญที่เราเคยทําไว้มันก็ให้ความสุขกับเราให้ความสบายกับเรามันจะคอยป้องกันไม่ให้ใจเราทุกทรมานกับความอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้วไก่เพราะเราจะใช้การทําบุญนี้มาปรามมาระ ง, งับมาลดความหิวความอยาก ที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเช่นวันไหนวันหยุดแทนที่เราจะไปเที่ยวหาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายเราไปทําบุญแทนเนี่ยทำบุญด้วยการให้ข้าวของเงินทองก็ได้ทําด้วยการให้เวลาใช้ร่างกายของเราให้ประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นหรือให้วาจาใช้วาจาให้ความสุขเราก็จะลด ปริมาณของความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกเิ้นกายลงไปได้แล้วพอเวลาที่เราไม่สามารถใช้ร่างกายไปทำอะไรได้ถ้าเราไม่มีความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกเิ้นกายเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่ถ้าคนที่เคยเที่ยวเคยหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกาย พอเวลาร่างกายเป็นอะไรไปนี้จะทุกข์ทรมานใจมากเพราะความความอยากไปเที่ยวอยากหาความสุขมันคอยสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นภายในใจนั้นเองแต่ถ้าเราเอาเวลาที่ไปเที่ยวนี้มาทำบุญอยู่เรื่อยๆต่อไปความอยากเที่ยวความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมันจะลดน้อยถอยลงไป ต่อไปเวลาที่ร่างกายไปเที่ยวไม่ได้ก็จะไม่เดือดร้อนอยู่บ้านสบายไม่ไม่เหงาไม่ว้าเหวไม่กุ้มใจไม่ห ง, งุดหงิดลำคาญใจเพราะบุญที่เราทำไว้มันมันจะมาให้ความสุขความสบายใจกับเราแล้วมันจะมาระ ง, งับความหิวความอยากทางตาหูจมูกนิ้นกายให้กับเรานั่นเองนี่คืออนิสงค์ของการ ทำทานทาประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆและผู้ที่จะรับประโยชน์สุขจากเรานนี้ก็สามารถทำกับใครก็ได้ผลได้เหมือนกันทำกับพระก็ได้บุญเหมือนกัน ทำกับญาติโยมคนธรรมดาก็ได้บุญเหมือนกันทำกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้บุญคือความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันคือการทำประโยชน์สุขนี้ไม่ว่าใครจะเป็นผู้รับไม่สำคัญสำคัญที่การกระทำการให้ประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นพอเราทำประโยชน์สุขให้กับผู้อื่นแล้วความสุขนั้นจะกลับเข้ามาที่ใจเราทากับพระก็ได้ ทำกับคารวาสญาตโยมก็ได้ทำกับญาติสนิทมิตรสหายทำกับผู้มีพระคุณต่างๆเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ทำได้ทั้งนั้นทำกับสัตว์เดรัจฉานเส้นสุนัขจรจัดปล่อยนกปล่อยปล า, ถ, าถ่ายชีวิตวัวควายเป็นต้นเนี่ย เป็นการให้ประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเป็นการทำบุญทั้งนั้นเป็นการสะสมสะเสบียงไว้ในใจของพวกเราให้ใจของเรามีอะไรเป็นที่พึ่งเวลาที่เราไม่สามารถอาศัยร่างกายเป็นที่พึ่งได้แล้วนี่เป็นบุญขั้นที่หนึ่งขั้นง่ายเป็นโลกิยะบุญ บุญถ้าธรรมนี้เวลาที่เราตายไปบุญนี้จะให้ความสุขกับดวงวิญญาณของพวกเราดวงวิญญาณที่มีความสุขเราก็เรียกว่าพวกเทวดานี้เองพวกที่ไปอยู่สวรรค์เนี่ยเนี่ยบุญจะพาให้ดวงวิญญาณไปสวรรค์ทําให้ดวงวิญญาณมีความสุขในช่วงเวลาที่รอไปรับร่างกายอันใหม่ บนขั้นที่สองที่ยากขึ้นหน่อยก็คือการรักษาศีลคือการไม่ทำบาปนการไม่ทำบาปนี้จะทำให้ใจเราสบายเวลาทำบาปแล้วใจเราจะทุกข์จะร้อนจะไม่สบายใจนั่นเองถ้าเราอยากจะรักษาความสบายใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจอย่าทำบาปกัน เพราะการทำบาปแล้วใจจะมีความทุกข์ร้อนขึ้นมาจะมีความวิตกมีความกังวลมีความหวาดกลัวต่อผลของบาปที่ได้ทำไว้นั่นเองทำผิดแล้วก็กลัวจะถูกจับลงโทษกลัวจะถูกผู้อื่นประนามว่ากล่าวติเตียนอันนี้ทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ทำบาปได้ ความไม่สบายใจก็จะไม่ปรากฏขึน้นใจของเราก็จะเฉยๆเวลาพบปะกับใครก็ไม่หวาดกลัวว่าเขาจะรู้ว่าเราไปทำบาปมาหรือไม่อย่างไรเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่หวาดกลัวแต่ถ้าเราทำผิดทำบาปนี่เวลาเจอใครเราก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจไม่รู้ว่าเขารู้ว่าเราทำบาปหรือไม่เพราะเราใน ก็อยากจะให้เขามองเราว่าเราเป็นคนดีกันเราไม่อยากให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนไม่ดีแต่ถ้าเราทำบาปทำไม่ดีแล้วมันมีแผลอยู่ในใจมันทำให้เราไม่มีความมั่นใจเวลาเราพบปะกับใครว่าเราเป็นคนดีจริงอย่างที่เขาเห็นหรือไม่เนี่ยเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นถ้าเราทำบาปเนี่ย แต่ถ้าเราไม่ทำบาปแล้วเราจะมีความมั่นใจร้อยเปอร์เซนตว่าเราดีถึงแม้เขาจะว่าเรากล่าวร้ายว่าเราไม่ดีเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่าเราดีรู้ว่าเราไม่ได้ทำบาปเราไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีนี่คือความรู้สึกระหว่างการทำบาปกับการไม่ทำบาปเนี่ยก็คือเวลาทำบาปแล้วจะไม่สบายใจ ถ้าไม่ทำบาปแล้วก็จะสบายใจอันนี้เป็นผลที่เรารับในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แล้วเวลาที่ตายไปดวงวิญญาณของเราที่ทำบาปนี้ก็จะต้องไปรับผลบาปถ้าบาปที่เราทำไว้นี้มีกำลังมากกว่าบุญที่เราได้ทำไว้บาปจะส่งผลก่อน วิธีส่งผลของบาปก็จะส่งดวงวิญญาณของเราให้ไปอยู่ในอบายถ้าไปเกิดก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่ได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยก็เรียกว่าเปรตถ้าเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวก็เรียกว่าอาสุ ร, รกายถ้าเป็นดวงวิญญาณที่มีความอาฆาตพยาบาศ เทียดแค้นก็จะเป็นนรกที่เป็นต่างกันก็เพราะว่าเหตุผลของการทาบาปต่างกันนั่นเองถ้าทำบาปด้วยความไม่เชื่อบาปไม่รู้ว่าบาปนี้มีผลก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆกก็จะเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นนสุรกาย ถ้าทำบาปด้วยความโกรธเกลียดเครยียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็จะเป็นนรกเนี่ยนี่คือเหตุที่จะพาให้ดวงวิญญาณไปเกิดในอบายชนิดต่างๆเกิดจากการทำบาปด้วยสาเหตุที่ต่างกันไปแต่ถ้าเรามารักษาศีลห้าได้ละเว้นจากการกระทำบาป ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดิมสรายามเมาเราก็จะไม่ต้องไปรับผลบาปเหมือนกับคนที่ไม่ทำผิดกฎหมายก็ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางคนที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องไปติดคุกติดตารางชั้นใดาบาปก็เหมือนกับกฎหมายนี่ ศีลก็เป็นเหมือนกฎหมายการรักษาศีลก็เป็นเหมือนรักษากฎหมายถ้าเรารักษากฎหมายไม่ไม่ทาผิดกฎหมายเราก็ไม่ต้องไปรับโทษใจของเราก็มีกฎแห่งกรรมเป็นผู้ที่มาจัดการกับเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็การคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่กฎแห่งกรรมเขารู้กฎแห่งกรรมนี้อัตโนมัติ ไม่จำเป็นจะต้องมีตำรวจมาตามจับดวงวิญญาณของเราไม่จำเป็นจะต้องขึ้นศาลมีอายการมีผู้พิพากษามาตัดสินว่าผิดแล้วถูกถ้าทำผิดศีลมันผิดทันทีไม่มีข้อข้ออ้างทำผิดแล้วกฎแห่งกรรมก็จะเป็นผู้มาจัดการกับดวงวิญญาณของเราเวลาที่ร่างกายของเราตายไป ถ้าเราทำบาปมากกว่าบุญบาปก็จะออกผลก่อนแต่ถ้าเราทำบุญไว้มากกว่าบาปบาปก็ยังไม่มีกำลังพอที่จะออกผลก็ต้องให้บุญเป็นผู้ออกผลไปก่อนดังนั้นถ้าเราคิดว่าเรายังไม่มั่นใจในการรักษาศีลห้าได้ตลอดเวลาก็ขอให้พยายามทำบุญให้มากไว้ก่อน ทำบุญให้มากกว่าบาปแล้วเวลาที่ร่างกายตายไปบุญจะได้เป็นผู้ส่งผลก่อนเป็นผู้พาเราไปสวรรค์กันแล้วก็ไปเกิดใหม่แต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ทำบาปเลยเราจะทำบุญหรือไม่ทำบุญก็ไม่มีผลในการที่จะทำให้ดวงวิญญาณของเราต้องไปเกิดในอบาย แต่ในชีวิตของเรานี่ถ้าเรายังเป็นปุตุชนอยู่นี่เรายังอ่อนไหวง่ายต่อการกระทำบาปอยู่เพราะอาจจะมีเหตุการณ์มีอะไรต่างๆมาบีบมาบังคับให้เราไปทำบาปดังนั้นเพื่อความปลอดภัยก็ถ้าเรารู้ว่าถ้าเรายังห้ามตัวเราไม่ให้ทำบาปไม่ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นตก็ควรที่พยายามทาบุญไว้มากๆ เพื่อที่จะได้อาศัยบุญนี้เป็นผู้ที่มาดึงวดวงวิญญาณของเราไปสวรรค์ก่อนแล้วรอให้เวลาที่บาปมีมากกว่าบุญถึงจะสามารถดึงให้ดวงวิญญาณของเราไปรับโทษในอบายได้นี้ก็คือเรื่องของการสร้างบุญที่ยากขึ้นในระดับที่สองคือการรักษาศีลไม่ทําบาป และไม่เสพอบายามุกด้วยเพราะอบายามุกกับบาปก็เป็นเหมือนผู้สนับสนุนกันถ้าเสพอบายามุกแล้วก็จะทำให้ไปทำบาปได้ง่ายจึงไม่ควรเสพเช่นดื่มสุราเนี่ยดื่มสุราแล้วเกิดอาการมึนเมาก็จะไม่สามารถควบคุมการกระทําอะไรต่างๆได้ถ้าไปขับรถก็ต้องไปประสบกับอุบัติเหตุ ทำให้เกิดมีการเสียชีวิตเสียทรัพย์สินขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นการทำบาปแต่ถ้าไม่ดื่มสุราก็จะมีสติเป็นปกติเวลาทำอะไรก็จะสามารถควบคุมการกระทำให้อยู่ในกรอบของความปลอดภัยและดีงามได้งั้นอย่าไปเสพสุราอย่าไปเสพอบายามุขเล่นการพนันก็จะทำให้เรา ยากจนเพราะว่าเล่นเวลาได้ก็อยากจะเล่นต่อเวลาเสียก็อยากจะได้คืนก็ต้องเล่นไปแล้วในที่สุดก็หมดเนื้อหมดตัวพอหมดเนื้อหมดตัวก็ต้องไปลักไปขโมยข้าวของเงินทองของผู้อื่นมาเลี้ยงชีพเรือเอามาเล่นการพนันต่อฉนั้นอบายามุขนี้ไม่ควรเสพเพราะมันมีแต่เสียมีแต่ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่าย การเที่ยวเต่ก็เป็นอบายมุขอย่างหนึ่งเล่นการพนันดื่มสุรายาเมาความเกียดค้านเนี่ยและการคบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรไม่ควรคบคนชอบไม่ควรคบคนที่ชอบดื่มสุราเพราะเขาจะชวนเราไปดื่มสุราไม่ควรคบคนที่ชอบเล่นการพนันเพราะเขาจะชวนเราไปเล่นการพนันไม่ควรคบคนที่ชอบเที่ยวเตรเพราะเขาจะชวนเราไปเที่ยวเตะ ไม่ควครคบคนที่ชอบความเกียดคา้านเพราะเขาจะชวนให้เราเกียดค้านไปกับเขาด้วยนั่นเองพยายามหลีกเลี่ยงบุคคลเหล่านี้แต่ไม่ให้รังเกียจหมายความว่าคบค้ากันได้แต่ถ้าเขาจะชวนเราไปทาในสิ่งที่เขาชอบทาเราก็ต้องปฏิเสธถ้าเราต้องเสียเขาเสียเพื่อนเพราะการปฏิเสธไม่ไปทำไม่ไปไม่ไปเสพอบายามุขกับเขาก็ ก็ควรจะเสียเสียเพื่อนแบบนี้ไม่ไม่ขาดทุนได้กำไรเพราะว่าจะทำให้เราปลอดภัย <c oughs> จากการไปกระทำบาปนั่นเองถ้าเรารักษาสีหน้าได้แล้วเราก็จะมีกำลังที่จะ ไปสร้างบุญชนิดที่สูงขึ้นกว่าบุญที่เราได้จากการรักษาศีลจากการทำบุญทําทานบุญ ท, ที่ได้มากกว่าที่ให้ความสุขกับเรามากกว่าก็คือบุญที่เกิดจากการภาวนาคือสมถะภาวนาทําใจให้สงบการทําใจให้สงบคือการนั่งสมาธิการจะนั่งสมาธิได้ก็ต้องมีเวลามานั่งการจะมีเวลามานั่งก็ต้องมี การยุติกิจกรรมต่างๆลงไปนั่นเองกิจกรรมหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้วกายเราจะต้องงดถ้าเราอยากจะเอาเวลามานั่งสมาธิมาหาความสุขจากความสงบเนี่ยเราก็ต้องถือศีลแปดกันฮะสีนตาดก็เพิ่มอีกสามข้อเท่านั้นเองถ้าเราถือมาได้ห้าข้อแล้วเพิ่มอีกสามข้อก็จะไม่ยากเย็นอะไร <c oughs> เพียงแต่เปลี่ยนสีนข้อสามจาก การเมมาเป็นอันปปมจริยาคือจากการร่วมหลับจากการไม่ร่วมหลับนอนกับผู้ที่ไม่ได้เป็นสามีภรรยาก็เปลี่ยนมาเป็นไม่ร่วมหลับนอนกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาหรือไม่คืองดเว้นจากการหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันเพื่อจะเพื่อที่จะได้เอาเวลามานั่งสมาธิมาทําใจให้สงบ แล้วก็งดเว้นจากการรับประทานอาหารมากเกินไปรับเพียงเที่ยงวันก็พอจะได้มีเวลามานั่งสมาธิมาเจริญสติแล้วจะป้องกันความง่วงเหงาหานอนจากการรับประทานอาหารมากเกินไปอุปสรรคอันหนึ่ง ท, ที่จะเกิดกับผู้ปฏิบัตินั่งสมาธิกันก็คือความง่วงนอนนี่เอง ถ้ากินมากๆแล้วพอมานั่งถ้าถือศีลห้าก็จะกินข้าวหลายมือได้พอกินแน่นท้องอิ่มท้องแล้วมานั่งหนังตามันก็จะหย่อนนะพอหนังท้องตึงหนังตาก็จะหย่อนนั่งแล้วก็จะคอพับสับประกเรียกว่านั่งหลับไม่ได้นั่งสมาธิก็ไม่เกิดผลอะไรถ้านั่งแบบนั้นจึงต้อง ถือศีลแปดศีลข้อหกคือไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วนแล้วก็ศีลข้อเจ็ดก็ไม่ไม่ไปเสียเวลากับการดูมหรสยบันเทิงต่างๆดูการร้องลําทําเพลงดูภาพยนตร์ดูละครหรือไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวสถานบันเทิงต่างๆไม่ แต่งตัวให้สวยให้งามให้เสียเวลาเพราะเราไม่ไปไหนเราปฏิบัติธรรมนี้เราไม่ต้องมาแต่งหน้าทาปากทำเผ้าทำผมไม่ต้องใส่เสื้อผ้าที่สวยงามเสียเวลาเอาเวลามานั่งสมาธิกันแล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไปวิธีไม่นอนมากก็อย่าไปนอนบนเตียงใหญ่ๆพูกหนาๆเตียงที่สุขที่สบายเพราะเวลาที่ ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่อก็จะนอนเพิ่มเกินเวลาที่ต้องที่จาเป็นต่อการหลับนอนให้นอนบนพื้นแข็งๆมันจะได้ไม่สบายเวลาร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอเพียงแล้วมันก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นแล้วก็อยากจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายนั่นเองก็จะรีบลุกขึ้นมา นั่งสมาธิได้ทันทีนะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่เราจะมาหาความสุขขั้นสูงหาบุญขั้นสูงคือสมาธิคือความสงบที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขของสมาธินี่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ถ้าใครได้สัมผสัสกับความสุขแบบนี้แม้แต่เพียงแค่ ง, งูแลาบลิ้นก็จะเกิดความยินดีเกิดความพอใจที่จะหาแต่ความสุขแบบนี้ไปนจะเลิกหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจะเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆคนพวกนี้มักจะไปบวชกันถ้าลองได้นั่งสมาธิจน จ, นจิตสงบแล้วเนี่จะรู้ว่าความสุข ที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่มีก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างความสุขที่เกิดจากสมาธิมาจะสร้างได้ก็ต้องมีเวลาก็ต้องก็ต้องหยุดทำงานหยุดเป็นคาวาสนั่นเองแล้วก็ไปบวชเป็นพระเป็นแม่ชีกันจะได้มีเวลาได้ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่เนี่ย แต่สมาธินี้ก็ยังถือว่าเป็นโลกิยะบุญอยู่เป็นบุญที่จะมีวันหมดได้เคยผู้ได้สมาธินี้เวลาตายไปจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมที่เป็นสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพแต่สมาธิมันก็มีเสื่อมมีหมดได้เวลาสมาธิเสื่อม จิตก็จะเลื่อนลงจากสวรรค์ชั้นพรหมมาสู่สวรรค์ชั้นเทพนแล้วจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะเลื่อนลงกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมานั่งสมาธิใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่ต้องการที่จะเวียนว่ายตายเกิดก็ต้อง ทำบุญอีกระดับหนึ่งอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าโลกุตตระบุญโลกุตตระบุญนี้เกิดจากการปฏิบัติภาวนาที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาการภาวนานี้มีสองระดับสมถภาวนาทําใจให้สงบเป็นสมาธิเป็นโลเกยะบุญ แต่พอเรามาวิปัสนาภาวนานี้เราจะได้โลกุตระบุญคือเป็นบุญที่จะไม่มีวันเสื่อมพอได้แล้วก็จะอยู่กับใจไปตลอดจะไม่มีวันสิ้นสุดจะไม่มีวันหมด บุญที่เกิดจากโลกการปฏิบัติโลกุตละนี้ก็คือการเจริญปัญญานี้วิปัสสนาก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งปวงในสิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรู้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสเช่นลาบยศจัละเสริญเช่นร่างกายเช่นเวทนาเช่นอารมณ์ของต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสภาวะธรรม ที่อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็จะทําให้ใจทุกเวลาที่ไปยึดไปติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงเวลาสิ่งที่ไม่เที่ยงหมดไปก็ทําให้ใจเกิดความทุกข์ใจเสียใจเป็นอนัตตาเพราะไม่ไปห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นธรรมชาติเขาไม่ได้เป็นเราเป็นของเรานีนี่คือสิ่งต่างๆที่เราไปหลงคิดว่าเป็น เป็นนิจจังสุขขังอัตตาคือลาบยศสัลเสิร์ญรูปเสียงกลิ่นรสร่างกายของเราความรู้สึกของทางร่างกายและความรู้สึกทางจิตใจทางอารมณ์เราคิดว่าของพวกนี้เราสามารถสั่งมันได้ทำให้มันให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวแต่ความจริงมันเป็นไปไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องเจอกับความทุกข์ความทุกข์ความ ความอนิจจังของร่างกายอนิจจังของลาบยศสารเสวนพวกเราที่ยังมีลาบยศสรรเสวนเราคงได้สัมผัสกันการเสื่อมของลาบยศสรรเสิญบางทีก็ได้ลาบบางทีก็เสียลาบบางทีก็ได้ยศบางทีก็เสียยศเนี่ยบางทีก็ได้สารเสิญบางทีก็ได้นินทาบางทีก็ได้สุขจากรูปเสียงกิริดบางทีก็ได้ทุกจากรูปเสียงกิิยนด ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปมีมันอยู่แบบไม่มีได้ถ้าเรามีความสงบถ้าเรามีสมาธิมีความสุขที่เกิดจากความสงบเราไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราได้ ปล่อ ย, ายลาบยศเสริญปล่อยรูปเสียงกลิ่นรสได้ปล่อยร่างกายที่เราอาศัยให้ความสุขกับเราได้ปล่อยเวทนาความสุขของเวทนาเราก็ปล่อยได้ปล่อยความสุขที่ได้จากอารมณ์ในจิตใจเราก็จะปล่อยได้ถ้าเรามีปัญญาถ้าเราเห็นว่าถ้าไม่ปล่อยมันจะทำให้เราทุกข์นั่นเองพอปล่อยได้เราก็จะ ไม่ต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยต่อไปแล้วใจของเราก็ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราอีกต่อไปเพราะเรารู้ว่ามันเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้มันจะให้ความทุกข์กับเราไม่ช้าก็เร็วเมื่อเราเห็นด้วยปัญญาเราก็ตัดความอยากที่จะไปพึ่งสิ่งต่างๆได้พอเราตัดความอยากต่างๆได้ใจของเราก็อยู่ตามลาพังได้อยู่โดยที่ไม่ต้องมีอะไรได้ อยู่แบบไม่มีอะไรแต่มีความสุขที่เกิดจากการไม่มีอะไรความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากได้อะไรความสุขนี้เราเรียกว่าเป็นความสุขที่ถาวรหรือบุญที่ถาวรที่จะไม่มีวันเสื่อมไปจากใจถ้าเรียกว่านิพานนี่เองนิบานังปรละมังสุขขงัง เป็นความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าใจมีวิปัชนายานมีปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในไตรภพนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แล้วก็ปล่อยวางไม่มาหวังหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใจพบอีกต่อไปก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนั่นเองอันนี้เรียกว่าโลกุตตะบุญจะมีบุญอยู่กับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือใจของพระพุทธเจ้าของพวกเราและของพระอรหันตสาวกที่ท่านต้องการให้เราทำใจของพวกเราให้เหมือนท่าน ด้วยการมาทำบุญกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองทำบุญทบุญกันอยู่บ่อยๆทำจากขั้นเริ่มต้นคือทานศีลแล้วก็ไปภาวนาตามลำดับต่อไปแล้วรับรองได้ว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเราไม่หยุดทาเราจะได้รับผลอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของบุญที่เอามาฝากท่านในวันกำไรบุญขอให้ท่านจงนำมาไปพิจารณาและปฏิบัต เพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวหาบุระปาริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปปักปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเปเมวะสมิชฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยะามะนีโชติอราโสยะาสัพพิติโยวิวัชจันตุสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิลิษะนิจจังวุฒาปจายโน จตารธมาวัทานติอายุวันโนสุขังราลาช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวเพราะว่าหลังจากที่เลิกแล้วปิดไม้แล้วก็จะของดถาม ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ Facebook 225, y o ย t u b e 289, ้าวิทยุออนไลน์สองท่านรับฟังบนข่าว204้อยสท่านรวมเจ็ดรอยสี่สิบท่านค่ะใครมีคำถามก็เชิญถามได้พูดเอาไมครโฟนไปพูดใกล้ๆ้ปากเสียงดังๆจะได้ยินชัดนะครับ กั บ, กบนวัตกรรมครับอาจารย์กรณีที่เราต้องการแยกอคือผ ม, ผมพยายามปฏิบัติโดยการแยกผมแล้วก็ในส่วนของนะผิวหนังอะไรออกไปวางไว้เป็นกองนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นพวกเครื่องในอะไรต่างไปวางไว้อ ก, กองหนึ่งแล้วก็เนื้อไปวางไว้อีกกองหนึ่งแล้วก็กระดูกไปวางไว้อีกกองหนึ่งอ่ะแล้วมีครั้งหนึ่งที่ปฏิบัติแล้วมันมันเจ็บใสขึ้นมาฮะทั้งทงี่ผมไม่ได้ปฏิบัติในลักษณะของกสินนะครับ มันแวบขึ้นมาเนี่ยปิดทางไห ม, มันแบบสว่างขึ้นมาเห็นแบบภาพชัดเจนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติแต่ยังไม่หมดเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อให้เราเห็นว่าเอาไว้ยาว่าต่างๆในร่างกายนี้ไม่มีตัวตนครับไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราให้เราปล่อยวางเป็นเหมือนชิ้นส่วนรถยนต์ครถยนต์นี้เราเป็นคนขับรถเรารู้ว่ารถยนต์ไม่ได้เป็นเรา รถยนต์เป็นอะไรเราไม่ทุกข์เดือดร้อนไปกับมันเราก็ต้องไม่ทุกข์เดือดร้อนไปกับร่างกายของเราเวลามันเป็นอะไรเวลาเขาต้องผ่าตัดเอาตับไปเอาไตาไปก็ต้องปล่อยให้เขาทำไปเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราเราเป็นจิตเป็นใจผู้รู้ผู้คิดที่ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแต่ถ้าเราหลงไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราจะทุกข์มาก เวลาที่ร่างกายเป็นอะไรอันนี้การแยกร่างกายแยกชิ้นส่วนต่างๆเพื่อเราจะได้ดูว่าเป็นเหมือนชิ้นส่วนรถยนต์นะครับเป็นตัวมารวมตัวกันทําให้มีร่างกายขึ้นมาเพาื่อที่จะทำหน้าที่รับใช้เรา ร, ร่างกายนี้มีหน้าที่มารับใช้เราเราเป็นนายกายเป็นบ่าวเราใช้มันไปเท่าที่เราใช้ได้พอถึงเวลาเราก็ต้องให้มันไป เวลามันจะตายมันก็ต้องให้มันไปถ้าเราไม่อยากให้มันไปเราจะทุกข์ถ้าเรายินดีให้มันไปเราจะไม่ทุกข์เราต้องเห็นว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเรามันจะต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งการดูวัยญาะต่างๆเขาจะได้ตือนใจสอนใจว่าไม่ใช่ตัวเราของเราอย่าไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเราของเราใช้มันไปใช้มาทาประโยชน์ ทำบุญทำกุศล yeah. แล้วบุญกุศลนี้จะรับใช้เราต่อหลังจากที่ร่างกายไม่สามารถรับใช้เราได้อขอบคุณครับนักมัสการค่ะอยากจะกราบเรียนขออุบายในการ ปฏิบัติในการนั่งสมาธิที่จะให้นิ่งนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ปฏิบัติมาตั้งแต่ปี6กศูนะคะสภาวะธรรมค่อนข้างที่จะลดผลและบางครั้งก็มือไม้ก็จะไปอยู่ตลอดเวลานะคะสติมีกำลังน้อยต้องต้องเพิ่มสติต้องหมั่นเจริญสติที่เราต้องทำในก่อนที่เราจะมานั่งนะคสตินี้เราจเจริญได้ทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาเราหลับ อย่าปล่อยเวลาอันมีค่าเหล่านี้ผ่านไปโดยไม่ได้สร้างสติวิธีสร้างสติก็มีหลายแบบแบบง่ายๆก็คือให้ท่องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธเลยอย่าปล่อยให้คิดเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดนะถ้าเรื่องจําเป็นต้องคิดก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวพอจะเริ่มคิดไปในเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องคิดก็หยุดมันด้วยพุโทโธพุโทโธไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันทําอะไรก็พุโทโธไป แล้วมันจะทําให้เรามีสติมากขึ้นพอเวลามานั่งสมาธิจะสงบได้ง่ายได้เร็วและได้นานสิ่งที่เราขาดกันก็คือสตินี่เราไม่รู้จักวิเราไม่สร้างกันเราคิดว่ามาสร้างตอนที่เรานั่งถ้ามาสร้างตอนที่ไม่นั่งมานั่งมันไม่พอเวลามันไม่พอที่จะมาทําให้จิตมันสงบได้ยิ่นต้องฝึกสติไว้บ่อยๆไว้นั้นไว้ทุกวันทุกเวลา สติเป็นสิ่งที่จําเป็นในทุกกรณียกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่เราไม่มีสติเฮีนพยายา ม, มนฝึกสติเพื่อดึงใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆพอมันไม่ลอยมันก็นิ่งพอนั่งสมาธิมันก็สงบได้ง่ายได้เร็วเฮีนพยายามฝึกพุโทโธไปถ้าเราใช้คําบริกรรมถ้าเราไม่ใช้คําบริกรรมเราก็ต้องใช้ร่างกายเป็นที่ผูกใจ ล่อยเฝ้าดูว่าร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กาลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งกําลังนอนกําลังกินข้าหารอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็อยู่กับมันอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นผูกใจไว้กับการกระทําของร่างกายใจก็จะนิ่งเหมือนเรือที่ไม่ลอย ทำไมเรือมันไม่ลอยเพราะมันผูกไว้กับท่าเรือหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องทอดสมอเนี่ยถ้าไม่มีสมอเรือหรือไม่มีการผูกไว้กับท่าเรือเรือมันก็ต้องไหลไปตามกระแสน้ำํำใจก็เหมือนกันถ้าใจไม่มีสติมันก็ไหลไปตามความคิดเนี่ยพอเวลานั่งสมาธิมันก็ไม่นิ่งมันก็คิดนู่นคิดนี่ไปแล้วก็ไม่มีความเจริญก้าวหนะ้า เพราะไม่มีสติเพราะไม่รู้ว่าต้องฝึกสติก่อนมานั่งคิดว่ามานั่งได้เลยนั่งเลยที่ไม่มีสมอเรือไม่มีการผูกเรือไว้ติดกับท่าเรือก็ไม่มีวันที่จะทําให้มันนิ่งได้เยัยต้องหมันฝึกสติเพื่อทําใจให้นิ่งไม่ให้มันไหลไปกับความคิดต่างๆแล้วพอมานั่งมันก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วและสงบได้นานอันนี้คืออุบายอ หมดแล้วเหรอ่มอหมดแล้วก็เอาขอให้คนอื่นถามก่อนเดี๋ยวถ้าอยากจะถามอะไรต่อก็ถามใหม่คำถามจากคุณชูทาพรค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วมันเต้นกระพริบตรงหน้าผากระหว่างคิว้วมันคืออะไรคะ ก็มันเรื่องของร่างกายแล้วก็ปล่อยมันเป็นไปเราไม่ต้องไปสนใจเวลานั่งสมาธินี้เลิกสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มาให้เราปรากฏรับรู้ให้สนใจอยู่กับพุทธโธหรือลมหายใจที่เราใช้เป็นอารมณ์ในการทําใจให้เราสงบเท่านั้น อย่าไปสนใจกับอาการต่างๆเหมือนโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆมันมีอะไรแปลกๆให้เราเคยให้เราได้สัมผัสรับรู้แต่มันไม่มีประโยชน์มันจะมันเป็นโทษเพราะมันจะทําให้เราไม่ได้สมาธิถ้าเราไปยุ่งกับมันอย่างนไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปรู้ว่ามันเป็นอะไรให้รู้ว่ามันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดแล้วดับที่เป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ควบคุมบังคับมันไม่ได้งั้นปล่อยวาง ดูแล้วก็ปล่อยวางกลับมาที่พุโทโธต่อกลับมาที่ลมหายใจต่อแล้วแต่ว่าเราใช้อะไรเป็นอารมณ์ก็กลับมาใช้ตัวนั้นต่ออย่างอื่นก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันพอไปยุ่งกับมันเราก็หยุดพุดโทโธหยุดภาวนาเราก็กลับไปเริ่มต้นใหม่ก็ไปไม่ถึงไหนอย่งนั้นอย่าไปสนใจ คำถามจากคุณธิดาทิพย์ค่ะอ่านพระวินัยพระวินัยบอกว่าไม่ให้พระไปด้วยยานรูปใดไปก็จะอาบัติแต่เห็นว่าพระขึ้นรถกันเยอะแยะไม่ผิดพระวินัยหรือเจ้าค้าเพราะเหตุใดก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณไม่ต้องสนใจหรอกคุณไม่เป็นพระปล่อยให้พระเขาจัดการเรื่องของพระเขาเองเถอะ คำถามจากคุณแพทค่ะดิฉันจิตฟุ้งซ่านภาวนาพุโทโธเอาไม่อยู่จึงสวดมนต์แบบหลวงพ่อจรันตามหนังสือคือ อิติปิโสพาหุงมหากาและพุทธคุณเท่าอายุบวกหนึ่งขณะที่สวดพุทธคุณไปได้เก้าจบเกิดนิมิตน้องชายที่ตายไปแล้วอยา่างนี้ควรจะอุทิศบุญทันทีก่อนจบสวดมนต์หรือเปล่าคะออไม่ต้องหรอกสวดทำให้จบก่อนอุทิศบุญตอนที่เราไปทำบุญเราต้องไปทำบุญถึงจะอุทิศบุญได้ต้องไปใส่บาตรทาทานสังฆทานหรืออะไรแล้วค่อยค่อยอุทิศบุญ บุญที่เกิดจากการสวดมนต์นี้ยังไม่สำเร็จยังไม่เกิดเป็นการปลูกต้นไม้ยังไม่มีผลไม้ต้องปลูกต้นไม้ก่อนแล้วต้องรอเวลาให้ต้นไม้มันจเจริญเติบโตแล้วถึงจะออกดอกออกผลต่อมาเห็นเราไม่นิยมที่จะอุทิศบุญจากการสวดมนต์จากการนั่งสมาธิเพราะว่ามันยังไม่เกิดผลนั่นเองเห็นะแล้นิยมอุทิศบุญด้วยการ ใส่บาทถวายสังฆทานหรือทำบุญทำทานปล่อยนกปล่อยปลาพอทำเสร็จปุ๊บบุญเกิดขึ้นทันทีคือความสุขใจอิ่มใจเกิดขึ้นทันทีอุทิศบุญนั้นได้ทันทีแต่นั่งสมาธินั่งยังไม่สงบจิตฟุ้งซ่าน้วจะเอาอะไรไปอุทิศให้เขาต้องให้จิตรวมเป็นสมาธิซึ่งยากคนที่ปฏิบัติกันเป็นสิบสิบปียังไม่รวม ยังไม่ต้องกังวลเรื่องอุทิศบุญเวลาเราปฏิบัติสมาธิเวลาเห็นนึกถึงคนตายก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะมันเป็นความนึกคิดของเราเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นคนตายมาหาเราถ้าหาเราต้องคุยกันได้ต้องถามสารททุกข์สุขดิบกันได้ค่ะคำถามจากคุณดิษยาค่ะ อ, อ้างอิงเทศของพระอาจารย์คำว่าอดอาหาร หมายถึงฉันน้ำเปล่าอย่างเดียวหรือไม่คะได้ฟังมาว่าบางทีหลวงตามหาบัวแจกโกโก้ให้กับพระที่อดอาหารด้วยถ้าไม่กินน้ำเปล่าสามารถกินน้ำหวานแทนในช่วงเวลาไหนบ้างคะอาหารนี่หมายถึงที่ไปบินทบาทเนี่ยอาหารที่กินกันปกติเนี่ยแต่ของอย่างอื่นที่เรียกว่าเพศัชคือยานี่ยยังฉันได้ ยาที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระฉันได้มีอยู่ห้าอย่างเรียกว่าเพสัชห้ามีน้ำตาน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำตาลนี้อันเดียวกันน้ำผึ้งน้ำมันเนยข้นเนยใสและสิ่งที่ชาวบ้านถือว่าเป็นยาเช่นน้ำชากาแฟใบชานี่ก็กินเป็นยาก็ถือว่าดื่มได้ของพวกนี้ไม่ถือว่าเป็นอาหาร แต่ผู้ที่อดอาหารนี่ก็สามารถเลือกปฏิบัติได้ว่าจะอดในระดับไหนบางระดับก็ไม่เอาเลยเอาแต่น้ําเปล่าอย่างเดียวอคือถ้าเป็นอะไรเข้าปากนี่ขอให้เป็นน้ําเปล่าอย่างเดียวนอกนั้นจะไม่เอาออันนี้แบบอดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บางท่านก็บอกว่าอดอเฉพาะอาหารขบเคี้ยวอะไรต่างๆแต่สิ่งที่เป็น เภสัชเปัญยานี่ก็ฉันได้ฉันน้ําปานะก็ดื่มได้อน้ําที่มีน้ําตาลน้ำฉันน้ําอัดลมนี่ก็ถือว่าเป็นน้ําที่มีน้ําตาลก็ดื่มได้อันนี้แล้วแต่ผู้ปฏิบัติจะเลือกได้ตามความต้องการของผู้ปฏิบัติเนี่ยคำถามจากคุณกิติคะ่ะการจเจริญวิปัสสนาภาวนาจะต้องเริ่มต้นทําแล้วก็จะมีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรครับ ออก่อนจะไปวิปัสสนาก็ต้องไปสมะถะก่อนต้องไปทมจิตใจให้สงบก่อนถึงจะมีกำลังที่จะไปวิปัสสนาได้ถ้ามีกำลังไปวิปัสสนาก็ไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆเช่นถ้าเราทำงานก็พิจารณาว่างานนี้ไม่เที่ยงสงวนเองก็ต้องออกออกับออกออ ก, ก็มีหลายแบบออกแบบถูกไล่ออกออกแบบลาออก ออกแบบบริษัทเจ๊งมันก็มีหลายแบบก็คิดเผื่อไว้เผื่อเวลามันเกิดขึ้นเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจจะได้ไม่ทุกเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นม า, าเรียกว่าวิปัสสนาเตรียมตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่ ง, งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะสิ่งที่เราอาศัยพึ่งพามันเดี๋ยวมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเช่นร่างกายของเราต่อไปมันก็จะต้องแก่เจ็บตายขึ้นมาเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้มันไม่ได้มาตามคิวนะไม่ใช่ว่าต้องแก่ต้องเจ็บดอนแล้วค่อยตายบางทีตายไปมาก่อนแก่ก่อนเจ็บก็มี เห็นเราต้องคอยเตรียมตัวเตรียมใจด้วยการสอนใจเรียกว่าวิปัสนาสามารถร่างกายนี้ตายได้ทุกเมื่อทุกเวลาทุกอายุมีคนตายทุกอายุคนเกิดมาหนึ่งวันตายก็มีเกิดมาออกจากท้องแม่แล้วก็ไม่หายใจก็มีเกิดมาอยู่ได้หนึ่งเดือนก็มีหนึ่งปีก็มีมีทุกอายุทุกวัยเพราะฉะนั้นเรานี้อาจจะอยู่ใน วัยใดวัยหนึ่งก็ได้ไม่มีใครรู้นันขอให้เราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความตายไว้ถ้าเตรียมตัวยินดีตายได้ก็จะไม่ทุกเวลาตายนีย่เรียกว่าวิปัสสนาต้องยอมรับความจริงเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายต้องตายแน่นะเพียงแต่ว่าเวลาไหนเท่านั้นเองเราจะทาใจได้หรือเปล่าเท่านั้นนี่คือข้อสอบของเราอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาถ้าถ้ารู้ แต่ทำใจไม่ได้ก็อาจจะเป็นเพราะหนึ่งไม่มีสมาธิพอการจะทำใจได้ต้องทำใจให้สงบถึงจะรับความตายได้ถ้าใจไม่สงบนิจใจไม่ยอมรับความตายกิเลสมันไม่ยอมรับความตายฉนั้นต้องไปฝึกสมาธิก่อนแล้วค่อยไปวิปัสสนาต่อคำถามจากคุณสิริปรียาค่ะเราสามารถนั่งสมาธิกับฟังเทศไปพร้อมๆกันได้ไหมคะ เวลาฟังเทศก็เป็นการนั่งสมาธิไปในตัวคือใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์อย่าไปนั่งแข่งกับเสียงธรรมเช่นฟังธรรมแล้วก็พุทธโธไปด้วยเดี๋ยวมันจะชนกันถ้าเราฟังธรรมเราใช้เสียงธรรมแทนพุทธโธได้ใช้เสียงธรรมแทนลมหายใจเข้าออกได้ะ การนั่งฟังไปฟังแต่เสียงถ้าไม่คิดตามก็เป็นสมาธิใช้เสียงกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบถ้าเราคิดตามก็ถ้าเราคิดตามได้ก็เป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาเกิดปัญญาขึ้นมาคำถามจากคุณพนมพรค่ะทำบ้านให้เป็นวัดสวดมนต์นั่งสมาธิรักษาศีลห้าแบบนี้พอจะพ้นทุกข์ได้ไหมครับก็แล้วแต่ว่าทาได้มากได้น้อย ถ้าทําได้ร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ก็พ้นทุกได้แต่จะพ้นทุกได้มันต้องศีลสมาธิครบร้อยเปอร์เซ็นตศีลก็ต้องขึ้นไปถึงระดับศีลแปดเป็นอย่างต่ำํำแล้วก็สมาธิก็ต้องสงบตลอดเวลาอปัญญาก็ต้องเห็นไตรลักษ์ตลอดเวลาเห็นอันนี้จังทุกขังตลอดเวลา ก็ก็จะพ้นทุกข์ได้เพราะใจจะปล่อยวางทุกอย่างไปใจจะไม่ยึดไม่ติดจะไม่อยากกลับอะไรเพราะเห็นว่ามันเป็นตรับคำถามจากคุณสารีค่ะภาวนานแล้วขยับไม่ได้เป็นทุกครั้งที่ภาวนานต้องภาวนาออกกราบถามพระอาจารย์ว่าไม่กล้าภาวนาตอนนอนคุณจะแก้ไขยอย่างไรคะก็ไม่ภาวนาเลยก็นอนไป ใช่ชอบไม่เลยเวลาภาวนาก็นั่งลุกขึ้นมานั่งภาวนาเราจะนอนก็หยุดภาวนาคำถามจากคุณจินคอบค่ะเวลาดูจิตดูใจใ น, ในการปฏิบัติควรดูจากข้างในออกข้างนอกหรือข้างนอกเข้าข้างในครับก็ต้องมีเครื่องมือ ด, ดูถ้าไม่มีตาก็มองไม่เห็นรูป ใจถ้าไม่มีสติก็มองไม่เห็นใจฉั้นต้องสร้างเครื่องมือก่อนสร้างสติขึ้นมาก่อนถึงจะดูใจได้ถ้ามีสติแล้วจะไม่ต้องถามว่าดูตรงไหนดูข้างนอกหรือข้างในมันจะรู้เองถ้าไม่มีสติมันก็ไม่รู้ว่าใจอยู่ตรงไหนแต่พอมีสติแล้วมันก็รู้ว่าใจอยู่ตรงไหนมันก็จะดูตรงนั้นแหละฉะนั้นไปฝึกสติก่อนไปฝึกพุโทโธพุธโทโธหยุดความคิดบุงแตง่ง ก่อนแล้วก็จะเริ่มเห็นใจขึ้นมาตามลำดับคำถามจากคุณอิสรีค่ะลูกปฏิบัติกับคำภาวนาพุโทโธยืนเดินนั่งนอนจนช่วงปีนี้สังเกตจะเดินยืนนั่งนอนคำพุโทโธจะผุดขึ้นมาท่องในใจกับกายแบบนี้จิตจะติดพุโทโธเกินไปไหมเจ้าคะอ๋อไม่เกินหรอกขอให้ติดมากๆเพราะพุโทโธไม่มีโทษเมตตาคุณนะ จะได้พุโทโธนี้จะได้อัปปนาสมาธินแต่ถ้ายังไม่ได้อัปปนาสมาธินี้ยังไม่ติดพุโทโธถ้าได้แล้วก็เลิกพุโทโธได้เพราะไม่ต้องใช้พุโทโธสามารถสั่งจิตให้สงบได้เองคําถามจากคุณชยาภาค่ะเวลามีคนลบดูพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เราเคารพบูชาควรจะตอบกลับหรือควรจะนิ่งเฉยดีคะรู้สึกโกรธมากเลยค่ะ เขาก็เรื่องของเขาเขาจะทำอะไรก็ปากของเขาตัวของเขาเขาทำกรรมอันใดไว้เขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราไม่ควรไปวุ่นวายใจที่วุ่นวายใจก็เพราะเราเราโง่เองเราไปเดือดร้อนกับการกระทาของคนอื่นเราไม่เห็นว่าเขาเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาเป็นเหมือนฝนตกแดดออก ฝนตกแดดออกเราไปสั่งไม่ได้ฉันใดคนที่จะทำอะไรเราก็ไปสั่งเขาไม่ได้ฉันนั้นก็ปล่อยก็ททำไปทำแล้วเขาก็เป็นผู้รับผลของกรรมของเขาของการกระทำของเขานั่นเอง<ด>หมนแล้วเลยมีใครอยากจะทมอีกไหมถ้าไม่มีก็จะปิดฉากก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัต